เพิ่งสามมาได้สองอาทิตย์แล้วแต่ก็มีคนมาวัดอยู่เรื่อยๆที่กลับบ้านก็มีหลายคนแต่ที่มาใหม่ก็เยอะหลายคนก็เพิ่งมาวันนี้หรือเมื่อวานนี้แต่ละลคนก็คงจะพบว่าอาการมาที่นี่เนี่ยเยพราะมาปฏิบัติ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เพราะว่าการค ม, มนาคมมันลาบากรือนี้สบายขึ้นเยอะถนนหนทางก็ดีที่เคยเป็นถนนดินเป็นหลุมเป็นบ่อก็กลายเป็นถนนลัดยางกลายเป็นถนนปูนเรียกว่าตลอดเลยนะจนถึงแก้งครอแต่ที่ยากก็ตรงที่ว่าการ จัดหาเวลานะที่จะมาที่นี่หลายคนก็มีงานเยอะมีภารตะตรับผิดชอบบางคนมีลูกบางคนมีพ่อแม่ที่แก่ชราอาจจะทิงท่านมาที่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องฝากฝังพ่อแม่ให้คนอื่นมาช่วยดูแลอันนี้รวมถึงดูแลลูกที่ยังเล็กด้วย บางคนก็มีงานเยอะกว่าจะสาสารงานการจนมีเวลาว่างมาที่นี่ได้เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายบางคนไม่มีภาระอะไรแต่ว่าปัจจัยไม่อำหนวยนะเช่นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวัดก็ไม่ค่อยเปิดรับคนเท่าไหร่ เพราะว่าสถานการณ์โควิดก็ยังไม่น่าไว้วางใจบางคนอยากจะมาข้อคอร์สตั้งแต่ปีก2ปีที่แล้วก็ไม่มีโอกาสมาสักทีก็ได้มาตามที่ตั้งใจนี้ก็เป็นเวลานับปีแรมปีหรือหลายเดือนทีเดียว ยังไม่นับประเภทที่ว่าตั้งใจจะมาแต่ว่าก็เปลี่ยนใจเพราะว่ามีความลังเลไม่แน่ใจว่ามาดีไหมเพราะว่ากลัวมาเจอความยากลำบากกว่าจะมาจะมาก็เปลี่ยนใจหาข้ออ้างกว่าจะเอาชนะกิเลสกว่าจะเอาชนะความ ลังเลสงสัยหรือว่าความโลเลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแต่ไอ้ที่ว่ายากยากเนี่ยนะที่ว่ากว่าจะมาถึงนี่เป็นเรื่องยากพอมาถึงนี่แล้วหลายคนพบว่าไอ้การปฏิบัติเนี่ยมันกลับยากกว่าทามาแค่ถวายสังฆทานถวายอาหาร ไม่ยากหรอกแต่พอจะมาปฏิบัติไม่ใช่แค่วันสองวันเนี่ยหลายวันแจริงเนี่ยไม่ต้องหลายวันหรอกนะแค่วันแรกเนี่ยหลายคนก็รู้แล้วว่าเนี่ยไอ้ที่ว่ายากเนี่ยก่อนจะมาเนี่ยมันไม่เท่ายากกับตอนที่มาถึงแล้วเพราะว่า เวลามาปฏิบัตินะไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมสร้างชังวะมันต้องสู้กับอะไรต่ออะไรมากมายซึ่งส่วนใหญ่ก็ล้นแต่อยู่ภายในใจของตัวเองเรื่องยุงเรื่องมแมลงอันนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่เรื่องความง่วงเนี่ หลายคนพบว่าโอ้มันหนักหนาเลือนมาวันแรกนี่ก็เจอความง่วงเล่นงานวันที่สองก็คงจะไม่ได้ง่วงน้อยกว่าเดิมนะบางทีแค่ยกมือสร้างจังหวะไม่ถึงห้าทีก็หลับแล้วอิรนะิศะสงะแล้วมังกำลงเคี่ยวเคียงกับตัวเองมากเลยนะ ในความง่วงเนี่ยตัวมันเองก็เป็นทุกขเวทนาอย่างหนึ่งนะพระทะเรียกว่าเป็นนิวรณ์นะแต่ว่านิวรณตัวนี้เนี่ยมันก็มีทุกขเวทนาเจือปนด้วยพอฝืนกับมันเนี่ยโอ้มันก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่ไม่เหมือนกับว่าง่วงแล้วก็นอนนะอ่า อันนี้สบายเนี่ยแต่พอง่วงแล้วไม่นอนนี่มันเป็นทุกข์จริงๆนะสำหรับหลายคนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยก็ให้ร่วมเป็นเรื่องธรรมดานะไม่ใช่เราคนเดียวที่มีปัญหานี้ใครๆก็มีอาตมาเองเนี่ยตอนมาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยแม้วจะมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติแต่ว่า พอเจอพอปฏิบัติแค่วันแรกจริงๆไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงสองสามชั่วโมงแค่ชั่วโมงแรกนี่มันก็ง่วงจนแล้วที่ง่วงนี่เป็นพ่ออะไรนะมันเป็นเครื่องที่ชี้ว่าเนี่ยเราเนี่ยใจของเราเนี่ยมันเสพติดสิ่งเร้ามาก ไอ้ตอนที่ไม่มาวัดตอนที่ใหม่มาปฏิบัติเนี่ยนะเราเจอสิ่งเรนานาชนิดที่บ้านที่ทางานสิ่งเร้าทางตาสิ่งเร้าทางหูสิ่งเร้าทางจมูกสิ่งเร้าทางลิ้นสิ่งเร้าทางกายข้อมูลข่าวสารหนังเพลงรวมทั้งผู้คนและงานการ แต่เสียงนะ่ยนะมันไม่ใช่แค่เสียงเพล ง, งเดียวนะเสียงจ๊อกจักจอแจเสียงรถจนนะที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็เผลอนะไปเสพติดสิ่งนั้นด้วยแลเราก็ไม่รู้ตัวนะถึงแม้ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันวุ่นวายเหลือเกินข้างนอกแต่พอเรามาที่นี่เนี่ย สิ่งเราน้อยเลยเพราะจากทโทรศัพท์มือถืองานการก็ไม่ได้ทำเท่าไหร่ยิ่งไม่มีการพูดคุยกับใครสิ่งเล่าก็ยิ่งน้อยนะพอสิ่งเล่ามันน้อยเกิดอะไรขึ้นกับใจนะใจก็ง่วงเนี่ยเพราะสิ่งเล่าเนี่ยมันทำหน้าที่อย่างนึงนะัคือปลุกให้เราตื่นลดต้้งความคิดด้วยนะ ที่เรานอนไม่หลับเพราะมันมีสิ่งเร่าคือความคิดเนี่ยปลุกให้เราตื่นแต่ไม่ใช่แค่ความคิดนะรูรดกินเสียงสัมผัสข้อความข้อมูลข่าวสารต่างๆประดังประเดยเข้ามายังไม่ไม่นับกาแฟยังไม่นับชายังไม่นับนับบัดลมนะหรือว่าเกมออนไลน์แต่พอมาที่นี่เนี่ยมันมีสิ่งเร่าอย่างที่ว่าเนี่ย ใจเราก็เลยง่วงเนี่ยเราไม่ได้ง่วงเพราะนอนน้อยนะหลายคนก็นอนเต็มที่เลยแต่ง่วงเพราะว่าใจเนี่ยมันมันไม่มีอะไรมาเร้าพอไม่มีอะไรมาเร้าก็ง่วงนะเหมือนก็นให้เราเหมือนกับให้ลิงเนี่ยนะมันอยู่นิ่งๆเนี่ยถ้าลิงมันอยู่นิ่งๆมันก็หลับแต่ลิงมันไม่หลับเพราะอะไรเพราะมัน เคลื่อนไหวตลอดเวลาจิตของเราบางทีก็เหมือนกับลิงนะมันก็วิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่นะทำโน่ทนทํานี่แต่พอมันอยู่เฉยๆนี่นก็ง่วงที่เราก็ไม่ได้อยู่เฉยนะั้เราก็เดินไปเดินมาแต่ว่ามันซ้ำซากเนี่ยยกมือสร้างจาว่าก็ซ้ำซากพอมันซ้ําๆเนี่ยนะมันก็กลายเป็นความชาชินก็กลายเป็นความชาชิน มันก็เลยง่วงอันนี้ก็ให้เือว่าเป็นธรรมดานะจริงๆก็มีสิ่งเราอยู่นะรอบตัวเราเนี่ยเสียงลมพัดเสียงใบไม้เสียงมแมลงเสียงนกแต่มันแผ่วมันไม่เข้มข้นมันไม่รุนแรงมันก็สิ่งเราที่เราเจอที่บ้านเจอในโลกภายนอก ใจเราเนี่ยพอเจอสิ่งเร้าเบาๆเนี่ยมันไม่มากพอมันก็ง่วงแต่พอเราค่อยๆปรับตัวได้เราก็จะเริ่มตื่นละเพราะว่ามันก็มีสิ่งเร้าที่อยู่รอบตัวเราที่ทำให้เราไม่หลับง่ายๆในช่วงนี้เนี่ยนะความง่วงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอ มันเป็นอาการที่เราเวลาเราห่างไกลาจากสิ่งเสพติดนะีมันจะมีอาการชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าลงแดงนะคนที่ติดกาแฟคนที่ติดบุหรี่คนที่ติดเหล้าติดยาเนี่ยพอไม่ได้เสพนะมันก็จะมีอาการลงแดงอาการลงแดงที่เกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยนะง่วง หรือว่าความง่วงเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าลงแดงชนิดหนึนะ่เรียกว่าลงแดงทางผัสสะผัสสะเรื่องอะไรงสิ่งเรานะพอเราไม่ได้เสพหรือเจอสิ่งเราเนี่มันก็ที่เราเคยเสพเคยติดมันก็มีการลงแดงง่วงเลอะเกินทํายังไงก็ไม่หายง่วงจนกว่าจะไปอาบน้ําจนกว่าจะาน้ําลูบหน้าหรือจนกว่า ไปพูดไปคุยออกับคนอื่นพอได้พูดคุยนี่มันตื่นเลยหรือว่าพอได้เปิดโทรศัพท์มือถือที่มันตื่นเลยหรือว่าพอได้ไปทาอย่างกันอย่างนี้น อ, นอ่านหนังสือเนี่ยมันตื่นเลยนะไอพ้พวกนี้ก็เป็นสิ่งเราที่เราเสพติดโดยไม่รู้ตัวเรื่องสิ่งเสพติดนะไม่ว่าอะไรก็ตามนี่มันก็มีโทษนะ อันตรอดเสติสิ่งเรา้าเสติดภาษาเนี่ยก็ทําให้เราเกิดอาการพึ่งพาพอขาดบ้าเมื่อไหร่นี่แย่เลยแล้วมันไม่ใช่แค่ ง, ง่วงนะบางทีมันเกิดอาการอย่างอื่นนะฟุ้งซ่านนี่ก็เกิดขึ้นกับหลายคนเหมือนกันนะบางคนบอโอ้ทำไมมันคิดมากเหลือเกินนะไอตอนไม่ปฏิบัตินี่ตอนอยู่ที่บ้าน ตอนทำงานนี่มันไม่ฟุ้งซ่านว้าวุน่นนเหมือนกับตอนมาปฏิบัติยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งฟุ้งซ่านอันนี้ก็เกิดเป็นปัญหาที่เกิดกับหลายคนนะถ้าไม่ง่วงเนี่ยมันก็ฟุ้ ง, ง่างานหนึ่งความฟุ้งนี่มันก็เป็นความพยายามของจิตนะที่มันจะปลุกให้ให้ตื่นเพราะว่าถ้า ไม่ทําอะไรเลยมันก็จะง่วงถ้าไม่เสพอะไรเลยก็จะง่วงถ้าไม่เสพทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาก็เสพทางใจก็คือหาเรื่องคิดไม่ได้ไม่ง่วงแต่เหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งนะที่ฟุ้งมากเนี่ยนะก็เพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่มีอะไรทํา ไอ้ตอนที่เราอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานเนี่ยเรามีอะไรทำทำโน่นทํา น, น, านี่ให้จิตไปจดจอ่อจดจ่ออยู่กับงานจดจ่ออยู่กับการพูดคุยจดจ่ออยู่กับหนังเพลงอยู่กับโทรศัพท์มันมีสิ่งให้จิตได้จดจอ่อแล้วก็เป็นสิ่งที่จิตมันชอบด้วย แต่พอเราถอนตัวมาจากสิ่งเหล่านี้พอมาอยู่วัดเนี่ยนะอยู่บนลานจงกรมอยู่บนเาบาน ะ, เะนั่งเจริญสติเนี่ยมันไม่มีอะไรทำพอไม่มีอะไรให้จิตไปเกาะมันก็เริ่มแสสายแล้วคนที่อยู่คนเดียวนั่งนิ่งๆเนี่ยจะมีอาการนี้มากเลยถ้าไม่ง่วงนะจิตมันก็จะแสบสาย แล้วเกิดอาการฟุ้งซ่านเกิดแล้วเทสุอาจจะเกิดอาการกระสับกระส่ายขึ้นมาแล้วบางทีก็อาจจะถึงกับทุรนทุรายเลยนะถ้าไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยหรือความคิดเนี่ยมันเล่นงานเนาะพอมันแสบสายแล้วมันก็ทะเลาถลไปคิดเรื่องโ น, น้นไปคิดเรื่องนั้นแล้วเรื่องที่มันคิดเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำให้เราสบายใจ แต่ทำให้เราเครียดทำให้เราวิตกกังวลทำให้เราขับแค้นทำให้เราโกรธทำให้เราเกิดความอาลัยอาวรณ์เพราะถ้ามันไม่ไหลไปอดีตมันก็ไปลอยไปอยู่กับเรื่องอนาคตซึ่งไปจมอยู่กับเรื่องที่ไม่ค่อยดีที่ทำให้เราเสียใจทำให้เราโกรธทำให้เราหงุดหงิดทำให้เราวิตกกังวลบางคนทนไม่ไหวนะ ต้องหาเรื่องทำนูน่นทำนี่หยิบไม้กวาดหยิบไม้กวาดมากวาดใบไม้หรือไม่ก็หาอะไรทำแต่ก่อนก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้นะแต่พอมาปฏิปป บ, บัติเดินจงกรมสร้างจังหวะนี่มันอยากจะทำนูน่นทำนี่เหลือเกินอยากจะซักเสื้ออยากจะกวาดใบไม้อยากจะอ่านหนังสือ ส่วนหนึ่งก็เพื่อให้จิตเนี่ยมันดุดฟุ่งสร้างให้มันมีที่เกาะให้มันมีงานทําแต่ว่านั่นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาและนั่นไม่ใช่เหตุผลที่เรามาที่นี่นะแล้วเรามาที่นี่เพื่ออะไรนะเพื่อจะฝึกจิตให้มีสติให้มีสมาธิให้มีความสงบถ้าเราจะหนีหรือ เรื่องความฟุ้งซ่านด้วยการหาอะไรทําอยู่เรื่อยๆไปเนี่ยสุดท้ายเราก็กลายเป็นคนหนีตัวเองทนอยู่กับตัวเองไม่ได้พออยู่กับตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความรู้สึกว่าวุ่น เกิความรู้สกกระสับกระสายทุรนทุรายอย่างนี้คนเป็นแบบนี้เยอะนะทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ต้องไปอยู่กับโทรศัพท์มือถือต้องไปอยู่กับงานการต้องไปอยู่กับคนนั้นคนนี้อยู่อยู่กับหรือไม่ก็ไปช้อปปิง้งไปเที่ยวนะเพื่อให้เพื่อให้จิตเนี่ยมันหยุดฟุ้งซ่านให้จิตมันมีที่เกาะ ให้มีจิตมันมีที่จดจอ่อแต่พอถึงเวลาอยู่กับตัว เ, เมื่อไหร่นี่ก็จะเริ่มกระสับกระส่ายขึ้นมาเลยแล้ตัวนี้เนะี่ยหลายคนเนี่ยพอพอมาภาวนาพอมาเจริญสติเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามีความทุกข์มากเลยทั้งง่วงทั้งฟุง้งแล้วก็ สุดท้ายก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความเครียดอันนี้ก็เป็นอาการที่เกิดกับหลายคนอย่เหมือนกันหรือเป็นสิ่งที่ตามมาหนะลังจากง่วงแล้วฟุ้งแล้วก็เครียดแล้วคนนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าโอยการมาปฏิบัตินี่มันเป็นเรื่องยากกว่าจะมาถึงนี่ก็ยากอยู่แล้วแต่พอมาปฏิบัติกับยากกว่า พอต้องเขี่ยวเข็นตัวเองเนี่ยเดินจงกรมทั้งวันให้ปฏิบัติทั้งวันจริงๆเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างนั้นนะจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าาว่าเราสามารถจะพลาตัวเองหรือเขี่ยวเข็นตนเองเนี่ย มาจนถึงทางจงกรมแล้วก็เขี่ยเข็นตนเองให้เดินกลับไปกลับมาเดินเป็นชั่วโมงหรืออาจจะเดินทั้งวันที่เหลือนอกนั้นเนี่ยมันไม่ยากแล้วแต่เป็นเพราะบางทีเราไม่เข้าใจการปฏิบัติ เราก็รู้สึกว่าอ้ทธิยาเนี่ยคือการไปควบคุมจิตนะไม่ให้มันทุ่งซ่าไม่ให้มันว้าวุ่นที่จริงเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะขอเพียงแต่ว่าเรานะพาตัวเองมาที่ทางจงกรมหรือว่ามานั่งบนอาสนะ แล้วก็หากห้ามใจไม่พูดคุยกับใครที่เหลือนอนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายแล้วเพราะว่าการปฏิบัติที่นี่เนี่ยเราไม่ได้เรียกร้องให้ควบคุมบังคับจิตมันจะง่วงนะก็ ง, ง่วงไปแต่ก็ยังทำไปเรื่อยๆมันจะมีความคิดเยอะฟุ้งซ่านยังไงก็ ไม่เป็นไรแต่ปัญหาคือหลายคนเนี่ยจะพยายามบังคับจิตให้มันหยุดคิดให้มันเลิกฟุ้งซ่านแล้วก็ฉันมาภาวนาเนี่ยถ้าฉันไม่ทำใจให้สงบแล้วนี่จะเลือกการปฏิบัติเลยนะหลายคนจะคิดแบบนี้พอคิดแบบนี้เขาก็เลยพยายามบุกคุคุมบังคับ จิตบังคับความคิดเจอความคิดเมื่อไหร่ก็ไปตะปบมันนะกดข่มมันจริงการปฏิบัติเนี่ยมันมันง่ายกว่านั้นนะเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เรียกร้องให้เราเลิกฟุง้งซ่านมันไม่ได้เรียกร้องให้เราไปบังคับจิตให้หยุดคิดก็แค่ รับรู้หรือยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจของตัวเองเราไม่ต้องไปทำอะไรกับความคิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจของเราหรือเสียงทั้งหลายในหัวของเราขอเพียงแต่ว่าอย่าหยุดทำก็แล้วกันมันง่วงยังไงก็ทำมันเบื่อยังไงก็ทำ คือเดินแลายกมือที่เหลือนอกนั้นเนี่ยนะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็คแค่รับรู้มันยอมรับมันมันจะฟุ้งก็ช่างมันมันจะคิดก็ช่างมันแต่อย่าไปคิดกับมันขอเพียงแต่ว่ารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะกับกายและใจ เวลากายเคลื่อนไหวก็รู้เวล า, าใจคิดนึกก็รู้แต่มามามันไม่รู้หรอกนะมันจะหลงซะมากกว่ารู้นะเผลอคิดไปโน่นคิดไปนี่ไม่เป็นไรนะมันจะเผลอไปไปไกลแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมันรู้ตัวเองเดี๋ยวมันรั่วเผลอเองลองสังเกตดูนะเอา เดินจงกรมสร้างจังหวะนี่มันคิดเหลือเกินทั้งที่ไม่ตั้งใจคิดเลยนะไม่ได้อยากจะคิดเลยนะแต่มันคิดไปเองอันนี้ก็ธรรมดาเพราะจิตเนี่ยมันมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเขาเรียกเป็นอนัตตาเราไม่ใช่เจ้าของมันเราบังคับมันไม่ได้อันนี้คือความหมายหนึ่งของอนัตตาคือบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ แล้วบางทีก็ทํานายไม่ได้ด้วยเช่นเราไม่อาจจะรู้เลยนะว่าอีกหนึ่งนาทีข้างหน้านเราจะคิดอะไรลองดูดถอหรือแม้แต่อีกสามสิบวินาทีข้างหน้าเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะมันจะคิดหรือเปล่าแล้วมันจะคิดางคิดเรื่องอะไรนี่เราไม่มีทางรู้เลยมันคิดของมันเองเพราะมันคือเพราะมันเป็นอนัตตาแต่หน้าที่ของเรานะคือรู้ เมื่อมันเผลอคิดใจใหม่ๆนี่ยนะมันมันจะเผลอไปยาวเลยแต่ไม่ว่ามันจะเผลอไปเมื่อเท่าไหร่นะสุดท้ายเราก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาลองสังเกตดูเนี่ยไม่ว่าเราจะเผลอคิดไปไงไม่ช้า ก, ก็เร็วเนี่ยมันก็จะรู้ตัวรู้ว่าเผลอไปเมื่อสักครู่ ตรงนั้นแหละนะคือสิ่งที่เราควรสะสมให้มากขึ้นเรื่อยๆ ร, ยรู้รู้รู้รู้ว่าเผลอไปและเราไปกักเก็บไม่ได้นะให้มันรู้เมื่อไหร่มันรู้ของมันเองนะจะไปดักจ้องมัน แะการที่มันรู้เองเนี่ยแล้วก็รู้บ่อยๆรู้บ่อยๆนั่นแหละนะที่ทำให้มันรู้ไวขึ้นรู้ไวขึ้นหน้าที่ของเราคือว่าเปิดโอกาสให้ตัวรู้เนี่ยมันทํางานหมายมันก็เชื่องช้านะกว่าจะรู้ว่าเผลอไปนี่ก็คิดไปแล้วไม่รู้กี่เรื่องหรือกว่าจะรู้ตัวว่ากํลาลังเดินอยู่ก็ฟุ้งไปแล้วไกลเลย ไม่เป็นไรนะให้เข า, าไม่เป็นไรนี่เป็นคาถาที่ต้องฝึกเอาไว้แล้วตรงเนี้ย ท, ที่ที่บอกว่าเป็นเรื่องง่ายก็คือเราไม่ต้องทําอะไรนะกับใจเลยก็ขอเพียงแต่ว่าเดินไปเรื่อยๆหรือว่ายกมือสร้างจัตุรไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะแต่ถ้าเหนื่อยก็พักได้แล้วที่เหลือนอกนั้นเนี่ยก็ให้ ตัวรู้หรือสติมันทํางานแล้วมันก็จะรู้เองรู้เองรู้เองรู้เองไปเรื่อยๆแต่หลายคนใจร้อนนะแม่มันรู้ช้าเหลือเกินเผื่อคิดไปแล้วไม่รู้อีกเรื่องไม่ได้นะต้องไปพยายามบังคับจิตให้มันจุดคิดหรือว่าไปดักจ้องมันเพื่อจะได้รู้ทันมันไอแบบนี้แหละที่ทําให้เครียดตั้งใจมากไปพยายามบังคับจิตมากไป ต้องยอมให้มันรู้เองแต่ไม่ไม่เนี่ยเราจะไม่ยอมมนะันเเพราะเรารสึกลำคาญกับความคิดที่มันฟุ้งเหลือเกินและเราอุตส่าห์มาที่นี่ก็เพื่อให้ใจสงบแต่พอใจไม่สงบก็ต้องพยายามทำให้มันสงบให้ได้บางคนก็พยายามปิดตาบางคนก็พยายามตามลมหายใจ เอาจิตมาอยู่ที่ลมหายใจแทนมันจะได้หยุดคิดบางคนก็บริกรรมหรือไม่ก็ท่องนะเวลายกมือก็หนึ่งสองสามสี่บางทีก็เดินแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาบริกรรมบางทีก็ภาพไปด้วยนะทั้งหมดนี่เพื่อให้จิตเนี่ยมันหยุดคิดหยุดเพ่นพ่านหยุดทะเลทะไล อันน้ไม่ใช่หน้าที่ของเรานะหน้าที่ของเราคือรู้ทันมันอย่าทำผิดหน้าที่ที่จริงหน้าที่ของเราคือเปิดโอกาสให้ตัวรู้มันทำงานให้สติมันทำงานเปิดโอกาสให้เขาได้ทำงานซึ่งใหม่ๆก็เชื่องช้าแต่ว่าเราต้องให้โอกาสเขาเราก็ทำไบ่อยๆทําบ่อยๆก็จะทำได้เร็วขึ้น ในการถ้าเราวางใจนี่ม่ทำเป็นการปฏิบัติเป็นเรื่องง่ายมันจะง่ายกว่าไอ้สิ่งที่เราพาตัวเองมาถึงนี่มันไม่ได้ยากกว่าเลยนะการไปิบตงจริงเนี่ยมันไม่ได้ยากกว่าการพาตัวเองมาถึงนี่ถ้าเราปฏิบัติถูกมันง่าย หลวงพ่อเถื่อนยังเกินทั้งถึงกระเ บ, บ่าเนี่ยทำเล่นๆทำเล่นๆอาจจะมีอะไรที่ง่ายออกการทําเล่นๆนะอย่าไปหวังผลอย่าไปเน้นคุณภาพถ้ใหม่ๆก็ต้องเน้นปริมาณก่อนแล้วที่เหลือนี่สติมันทํางานหนึ่งความฝึกตัวมันทํางานหนงถ้าเราวางใจ น, นี้ได้เนี่ยการปฏิบัติมันจะกลายเป็นเรื่องง่าย สิ่งที่ยากก็คงมีแต่ว่าพยายามเขี้ยวเขียนตัวให้มันเดินบ่อยๆเดินทั้งวันหรือว่าปฏิบัติยกมือสลับกับเดินทั้งวันตรงเนี้มันยากที่เหลือเนี้ยเรื่องการวางใจกลายเป็นเรื่องง่ายแต่ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่เราเข้าใจ